เกิดจากเหตุอย่างใดการที่จะชี้ลงโดยเด็ดขาดว่าทำอย่างนี้เกิดจริตอย่างนั้นทำได้ยากหรืออาจทำไม่ได้เลยก็ว่าได้เพราะว่าจริตแต่และอย่างนั้นเป็นผลรวมของเหตุหลายๆอย่างคล้ายๆกับเราจะค้นหาที่มาของรถผลไม้ยกตัวอย่างเช่นผลมังคุดสมมติว่ามีรสอยู่สามอย่างคือเปลือกฝาดเนื้อหวาน มเมล็ดมันเราไม่สามารถจะชี้ลงได้ว่ารถไหนมาจากปุ๋ยหรือน้ําหรืออากาศชนิดใดเพราะมันเป็นผลที่เกิดจากเหตุหลายๆอย่างรวมกันไม่ต้องอื่นไกลเอาแต่ตัวของเราก็ได้เราทราบดีว่าอวัยวะร่างกายเนื้อหนังในตัวเรานี้เกิดจากอาหารแต่เราก็ไม่สามารถชี้ลงไปได้ว่าจุดตรงไหนเกิดจากข้าว จุดตรงไหนเกิดจากแกงจุดตรงไหนเกิดจากน้ำพริกเพราะอาหารแต่ละอย่างเมื่อรับประทานลงท้องแล้วมันก็รวมกันเข้าแล้วจึงย่อยออกไปเลี้ยงร่างกายร่างกายจึงเป็นผลรวมเรื่องจริตก็เหมือนกันคือมีเหตุหลายอย่างรวมกันทำให้เกิดจริตแต่ว่าแม้เราจะไม่สามารถแยกกันได้อย่างละเอียด กยังพอมีทางที่จะกำหนดได้อย่างรวมๆโดยถือเกณฑ์ธรรมชาติทั่วไปเป็นหลักวินิจฉัยด้วยคือตามธรรมดาความงอกงามของสิ่งต่างๆทั้งที่เป็นวัตถุทั้งที่เป็นอารมณ์ย่อมเกิดจากสิ่งที่เป็นอนุโลมแก่กันและดับศูนย์เพราะสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นขออธิบายคำสองคานี้สักเล็กน้อย สำหรับท่านที่ใหม่ต่อศัพ์ซึ่งอาจมีที่ว่าอนุโลมแปลว่าตามกันหมายความว่าช่วยเหลือกันสนับสนุนกันเหมือนน้ำไหลแล้วเราก็พายเรือบ่ายหน้าไปตามทางที่น้ำไปอย่างนี้เรียกว่าอนุโลมไปตามน้าส่วนคำที่ว่าปฏิปักแปลว่าย้อนหรือทวนถือเอาความว่าขัดแย้งโต้เถียง ทัดทานหรือตรงกันข้ามของในโลกมันมีทั้งที่เป็นอนุโลมทั้งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ประกอบด้วยตัวอย่างของอนุโลมและปฏิปักษ์กับไฟสิ่งอนุโลมย่าแห้งฤดูร้อนบุหรี่แดดลมและมันกา๊าดหลังคาแฝกกลัดไม้ขีดเทียนทาน เตาพัดและอื่นๆสิ่งปฏิปักษ์ใบไม้สดฝนคลอนอากาศชื้นน้ำน้ำแข็งกระเบื้องซีเมนต์คอนโทรลน้ำรถดับเพลิงทรายหินโอง่งเหล็กและอื่นๆตัวอย่างของอนุโลมและปฏิปักษ์กับน้ำสิ่งอนุโลม ฝนก้อนเมฆ ร, รางน้ำขันตุ่มกาละมังดอกบัวห้วยหนองเรือเหยียบน้ำสะพานและอื่นๆสิ่งปฏิปักษ์ไฟไม้ขีดน้ำมันแสงแดดบุหรี่เตาไฟถ่านเทียนไขเตารีบขี้เถ้าและอื่นๆ ตัวอย่างของอนุโลมและปฏิปักษ์กับพระสิ่งอนุโลมวัดโบสถ์บาทตลปัดธรรมราช ส, สีเหลืองมีดโกนพระพุทธรูปทูบเทียนย่ามโลงผีขันตักบาทและอื่นๆสิ่งปฏิปักษ์ผู้หญิงขวดเหล้ารถจั ก, กรยานโรงหนัง ลูกฟุตบอลรองเท้าหุ้มส้นโรงแรมปืนกางเกงหมวกโรงฆ่าสัตว์เด็กอ่อนและอื่นๆตัวอย่างของอนุโลมและปฏิปักษ์กับผู้ร้ายสิ่งอนุโลมความมืดปืนมีดสนับมือห้องขังโซ่ตรวนเรือนจำป่าหน้ากาก ภ้เครื่องงัดแงะตะกรดผ้ายันและอื่นๆสิ่งปฏิปักษ์พระวัดผ้าเหลืองตำรวจกฎหมายโบทสารยุติธรรมธรรมาคัมภีร์แม่ชีาศาสนาและอื่นๆตัวอย่างของอนุโลมและปฏิปักษ์กับความตายสิ่งอนุโลม ่วงหรีดโลงเมนป่าช้าตู้พระธรรมสีดำสับปเปลอดอกไม้จันทร์และอื่นๆสิ่งปฏิปักษ์หมอเด็กทารกสีสดโรงพยาบาลสถานลีลาเครื่องกีฬาขวดยาและอื่นๆจากตาราง4ถึง5บานที่แสดงมานี้ ท่านผู้อ่านพอจะพบความจริงอย่างหนึ่งแล้วคือของแต่ละอย่างหรือเหตุการณ์แต่ละอย่างมันมีสิ่งอื่นที่อนุโลมเข้าพวกเดียวกันคือเป็นพวกเดียวกันและเป็นปฏิบัติต่อกันก็มีที่แสดงนี้พอเป็นตัวอย่างประกอบคําอธิบายลักษณะของอนุโลมปฏิบัติเท่านั้นท่านจะคิดต่อไปได้อีกอย่างกว้างขวางย้อนเข้าหาเหตุเกิดจริตอีกที จริตแต่และอย่างย่อมมีสิ่งอนุโลมคือเป็นพวกเดียวกันสนับสนุนกันเมื่อมีสิ่งอนุโลมแก่กันเกิดขึ้นก็ทําให้เกิดจริตอย่างนั้นขึ้นและทําจริตอย่างนั้นที่มีอยู่ในใจแล้วให้แรงยิ่งขึ้นต่อไปนี้เป็นสิ่งแวดล้อมอนุโลมจริตซึ่งถ้าจิตใจของเราไปได้รับการอบรมหรือเสพคุ้นบ่อยๆเข้าจะทําให้เกิดจริตขึ้น ในวงเล็บเท่าที่ข้าพเจ้าคิดเอาเองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะยังไม่พบหลักฐานอย่างอื่นดังตัวอย่างเหตุอนุโลมราคะจริตการฟ้อนรำขับร้องงานศิลปินบริการเกี่ยวกับดอกไม้ต้นไม้งานวาดเขียนงานทาสีระบายสีการประพันธ์การประดับตกแต่งนิยายรัก และอื่นๆเหตุอนุโลมโทสะจริตเครื่องยนต์กลไกการสงครามการเลี้ยงสัตว์การควบคุมผู้ผิดเครื่องลงทันฟืนไฟวาจาหยาบคายสัตราวุฒอาวุธการเป็นโจทย์หรือจำเลยเสียงระเบิดอุปัติทว่เหตุและอื่นๆเหตุอนุโลมโมหะจริต การเหินห่างชุมนุมชนที่เจริญการหมดเสรีภาพในการคิดการเป็นลูกจ้างแรงงานการทํางานที่ไม่ใช้หัวคิดอย่าง จ, จําเจการอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้รับการศึกษาการไม่หัดรับผิดชอบนอนมากเกินไปการอาศัยสัตว์เดรัจฉานหาเลี้ยงชีพและอื่นๆเหตุอนุโลมศรัทธาจริต การโฆษณาชวนเชื่ออภินิหารต่างๆการส่งเสริมไสยศาสตร์นิยายปรามปราคำเทศทรงเจ้าเข้าผีและอื่นๆเหตุอนุโลมวิตกจริตอุปัทธวเหตุการถูกล่อลวงการถูกหักหลังการประเชิญภัยโดยไม่คาดคิดการถูกวางเพลิงถูกใส่ความและอื่นๆ เหตุอนุโลมพุทธิจริตการค้นคว้าการโต้ ว, วาทีอภิปรายการอา่านการฟังสนทนาการประพันธ์การทำงานที่ต้องรับผิดชอบการแข่งขันการตอบปัญหาคบปริศนาและอื่นๆทั้นทงนี้ข้าพเจ้าคิดรวบรวมหาตัวอย่างเองโดยเล็งถึงกฎเกณฑ์ในตำรา และข้อเท็จจริงที่ประมวลจากการสังเกตส่วนตัวอย่างที่เรียนไว้แล้วว่าเวทีเป็นของท่านแต่บทร้องเพลงรำเป็นของข้าพเจ้าซึ่งก็มั่นใจว่าคงจะไม่ออกนอกเวทีมีข้อน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งคือคนที่มีอาชีพช่างแต่งผมช่างตัดเสื้อและช่างก่อสร้างรวมทั้งช่างปั้นบางอย่างน่าจะเป็นคนราคะจริตทั้งนั้น หรือส่วนมากแต่ในบุคคลประเภทนี้เกือบจะหาคนราคะจริตไม่ได้เลยส่วนมากกลับเป็นพวกโทสะจริตจัดจริตเข้าพวกกันของบางสิ่งบางอย่างมันเข้าพวกกันเมื่อมีอย่างหนึ่งก็มักจะมีอีกอย่างหนึ่งปลอยตามกันเช่นไฟกับควันเลือดกับหนองน้ํากับโคลนเหล่านี้เป็นต้นจริตหกอย่างก็เหมือนกัน คือเมื่อมีอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นพวกกันก็พลอยมีขึ้นด้วยถึงไม่ใช่หัวหน้าก็เป็นชั้นรองเมื่อจัดเป็นพวกแล้วได้อย่างนี้ราคาจริตเป็นพวกกับสัทธาจริตโทสะจริตเป็นพวกกับพุทธิจริตโมหจริตเป็นพวกกับวิตกจริตหมายความว่าคนที่มีราคาจริตก็มีศัทธาจริตด้วย แต่เบาวกว่าราคะจริตคนมีโทสะจริตก็มีพุท ธ, ธิจริตด้วยคนมีโมหจริตก็มีวิตกจริตด้วยส่วนจริตอื่นๆจะมีผสมปะปนอีกเท่าไหร่ก็มีได้แต่หมายความว่าจริตที่เป็นคู่กันนี้เป็นต้องตามกันไปเสมอในการบรรยายต่อไปข้าพเจ้าอาจพูดแยกกันเป็นหกอย่างหรือพูดเป็นพว ก, พวกเพียงสาพวกก็ได้ น้ำเลี้ยงหัวใจมีสีตามจริตข้อควรทราบเป็ดเตลิอีกอย่างหนึ่งคือในตำราทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงว่าจิตของคนเราอาศัยอยู่ในหัทถรูปซึ่งหมายถึงก้อนเนื้อสันฐานกลมๆ ก, ก้อนหนึ่งในทรงอกก้อนเนื้อที่เรียกว่าหัทถรูปนี้เรียกว่าหัวใจถ้าผ่าเข้าไปดูในใจกลางของเนื้อที่ท่านว่านี้ มีแอ่งเล็กๆอยู่แอ่งหนึ่งขนาดมเมล็ดบนหน้าวางลงได้ในแอ่งนี้มีน้าขังอยู่ประมาณกึ่งฝ่ายมือเรียกว่าน้าเลี้ยงหัวใจหรือพูดย่อๆว่าน้ำใจจิตของคนเราอาศัยน้ำนี้อยู่น้ำเลี้ยงหัวใจของคนมีสีต่างๆกันตามอำนาจจริตของผู้นั้นดังต่อไปนี้ 1. น, นงคนรากฆ่าจริตมีน้าเลี้ยงหัวใจสีแดง 2. คนโทสะจริตมีน้ำเลี้ยงหัวใจสีดำ 3. าคนโมหจริตน้ำเลี้ยงหัวใจสีน้ำล้างเนื้อ 4. คนศรัทธาจริตน้ำล้างหัวใจสีเหมือนดอกกัิกา 5. คนวิตกจริตน้ำเลี้ยงหัวใจสีเหมือนน้ำเยื่อถั่วพู 6. คนพุทธิจริต น้ำเลี้ยงหัวใจสายแจ๋วมีแววเหมือนแก้วเจรไนข้อความเหล่านี้เป็นเกล็ดความรู้ประกอบการศึกษาค้นคว้าต่อไปสีของน้ำที่ระบุไว้นี้หมายถึงสีน้ำใจของผู้มีจริตอย่างนั้นๆแต่โดยหลักเกณฑ์ที่เป็นจริงคนคนหนึ่งมีจริตถึง 2-3 ถึงอย่างเพราะฉะนั้นสีของน้ำจะต้องเป็นสีผสมเช่น คนมีราคะจริตด้วยโทสะจริตด้วยและโมหะจริตแถมเข้าไปอีกด้วยน้ำใจก็กลายเป็นว่าสีแดงสีดำสีน้ำล้างเนื้อท่านผู้อ่านคิดผสมเอาเองก็แล้วกันว่าจะเป็นสีอะไรได้พบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทางทาธาตุร่างกายอยู่อีกนิดหนึ่งเป็นประเภทเกล็ดความรู้เหมือนกันไม่พอจะตั้งหัวข้ออธิบายต่างหาก จะตัดทิ้งก็เสียดายเลยขอแถมท้ายไว้ในบทนี้เพราะเป็นความวิปริตทางร่างกายเกี่ยวกับจริตเหมือนกันท่านกล่าวไว้ในคำพีวิสุทธิมรรคภาคหนึ่งหน้า29ว่าคนราคะจริตธาตุทั้งสในตัวคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีส่วนผสมเท่ากันคนโทสะจริต ธาตุไฟกับธาตุลมแรงไปคนโมหะจริตแรงทางธาตุดินกับธาตุน้ํานอกจากนี้ยังได้พูดว่าคนราคะจริตยิ่งด้วยเสมห์คนโมหะจริตยิ่งด้วยลมดังนี้เป็นต้นเหตุผลประการใดข้าพเจ้ายังจนปัญญาเหมือนกัน 16. อํานาจจริตว่าถึงอํานาจของจริต เป็นเรื่องที่กว้างขวางใหญ่โตมากโปรดคิดว่าในตัวคนเราคนหนึ่ง น, งนี้มีใจเป็นใหญ่คอยบงการให้ร่างกายแสดงอาการต่างการกระทาการพูดการเขียนของคนเราทั้งสิน้นสำเร็จออกมาจากใจคือใจเป็นผู้คิดทีนี้ใจจะคิดอะไรอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับจริตของใจนั้นถูกแล้วจริตเป็นเพียงอาการส่วนหนึ่งของใจ จะดีวิเศษไปกว่าใจไม่ได้ถูกแต่ว่าจริญย่อมเป็นเครื่องโน้มน้าวใจให้เอ็นเอียงหรือสนใจไปตามแนวทางของจริตและเป็นการสร้างคุณค่าราคาสําหรับใจด้วยถ้าจะเปรียบว่าใจเหมือนผ้าจริตก็เหมือนกับสีและลวดลายบนผืนผ้านั้นโปรดคิดตัวเองในระหว่างผืนผ้าที่ใช้นุ่งหม่มหุ้มห่อร่างกาย ได้เหมือนกันชไน่ผ้าบางผืนจึงควรค่าแก่พระภิกษุบางผืนควรแก่ครหัตบางผืนเหมาะที่จะใช้แต่งไปในงานมงคลบางผืนไม่ควรใช้ในงานมงคลได้แต่แต่งไปเผาศพนี่เหมือนเรื่องอะไรกันทั้งๆที่เนื้อผ้าเหมือนกันนั่นแหละแต่ผ้าก็ถูกใช้ไปในด้านต่างๆมีศักด์ควรแก่อย่างนั้น ควรแก่อยา่างนี้ก็เพราะสีและลายที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้านั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้โปรดคิดเอาเองก็แล้วกันว่าเนื้อผ้ากับสีผ้าอย่างไหนมีอิทธิพลมากกว่ากันความสำคัญระหว่างใจกับจริตก็คล้ายกับตัวอย่างเปรียบเทียบนี้ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวว่าสังคมมนุษย์ได้ถูกระบายไว้ด้วยจริตของคนแท้ๆเพราะเกือบจะทุกสิ่งทุกอย่าง มันมีผลต่อเนื่องมาจากจริตแทบทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะจริตทั้งหกอย่างนั้นเป็นผู้ชักจูงใจของคนให้เกิดนิยมชมชอบสิ่งที่คล้อยไปตามจริตของตนยกตัวอย่างเช่นในกอเป็นคนโทสะจริตซึ่งหมายความว่ามีใจร้อนเร็วชอบแสดงอำนาจเวลาซื้อรองเท้าแกก็จะเลือกซื้อชนิดหนาเถอะทะเข็มขัดหนังเสือหมวกใบใหญ่ กล้องสุ บ, บรีเป็นรูปหัวกะโหลกสัตว์บุรีมวนโตโตถือไม้ทำด้วยหนังสัตว์กระดูกสัตว์ชอบพกปืนแว่นตาขอบหนาสีเข้มรถสีเข้มลักษณะแข็งแรงไม่ชอบเอาสวยงามนะักบีบแตรดังขับเร็วหน้าหวาดเสียวหยุดกระทันหันปลูกบ้านมีสวดทรงหน้ายำเกรงดูบางส่วนละไม้ไป ทางป้อมปืนเอาหินก้อนโตๆประดับกำแพงเดินลงเท้าหนักข้าวของในบ้านเกกะนิยมสีเข้มตัดกันถ้าไนกอไปเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ก็ชอบเขียนแขะคนนั้นคนนี้ชอบเสนอข่าวชนิดหวาดเสียวถ้าไปเป็นรัฐมนตรีเวลาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์หรือ press conference ก็มักจะดุนักข่าว บางทีก็สอกลับเอาคนถามหรือถ้าเกิดมาเป็นคนแสดงปาถักถาก็คงจะป่ายแปะปะเอาคนฟังไปเรื่อยๆนี่เฉพาะเรื่องของนายกอคนเดียวทีนี้คนใช้ของนายกออีกละ่ะเกิดเป็นคนโมหาเจริตแต่งตัวลเลิศเทอทิ้งเศษขยะลงตามถนนขากเสลดได้ทุกแห่งยืนปั ส, สวะได้ทุกมุมรัว้วและอื่นๆตกลงว่า สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของเราทุกวันแสดงออกมาจากจริตของคนแทบทั้งนั้นแบบบ้านแบบรถแบบเสื้อผ้าข่าวหนังสือพิมพ์และอื่นๆเป็นเรื่องของจริตแท้ๆคนเราใครมีจริตอยู่ในใจอย่างไรเพราะเกิดปัญหาที่จะต้องคิดใจก็คิดไปตามจริตนั้นเช่นคนราคัดจริตคิดจะหาคู่ครอง ก็คิดจะหาคนรูปล่อๆลอคิดจะปลูกบ้านก็คิดจะหาแบบสวยสวยคิดจะไปดูหนังก็คิดจะหาดูหนังวิวงามงามคิดจะซื้อหนังสืออา่านก็หาที่ปกหรูหรูดังนี้เป็นต้นน้ำมันมีหน้าที่ไหลก็ไหลไปแต่เมื่อคลองคดน้ำก็ต้องไหลคดไปตามคลองเช่นเดียวกันใจมีหน้าที่คิดก็คิดไปแต่เมื่อจริตว่าทางไปอย่างไร ใจก็ต้องคิดคล้อยไปตามจริตด้วยเหตุนี้จริตนั้นถ้าไม่ใช่พระอาจารย์ประจำใจก็คือนักเลงโตประจำชีวิตนั่นเองดัดจริตวิกลจริตตามปกติจิตของเราเดินอยู่ในวิถีคือหมายความว่าเป็นจิตปกติสามัญอย่างเราเร า, เราท่านๆ น, นี้ที่จิตจะคิดทำอะไรก็ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของจริตที่มีอยู่ มีเหมือนกันที่บางคนริธําอะไรฝืนจริตในบางครั้งเช่นตัวเป็นคนโทสะจริตไม่ค่อยชอบแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ไปได้คู่รักเป็นคนราคะจริตชอบสวยๆงามๆตัวก็พยายามแต่งตัวทำทีว่าเป็นคนราคะจริตเพื่อจะได้สนใจคนรักการทำอย่างนี้เรียกว่าดัดจริตคือจริตของตัวเป็นอย่างหนึ่งแต่ดัดไปใช้จริตอีกอย่างหนึ่ง แต่ก็ลอดตานักสังเกตไปไม่ได้เพราะเขาจะต้องพลั้งเข้าหาจริตเดิมจนได้และแม้แต่ในขณะที่ดัดจริตอยู่นั่นเองก็มีรายละเอียดบางอย่างที่ปิดไม่มิดอย่างเช่นการหวีผมผูกเนคไทใส่เสื้อเรียบหมดทุกอย่างแต่เชือกผูกรองเท้าสองข้างทําเงื่อนไม่เหมือนกันหรือปล่อยเงื่อนเปรอะ เท่านี้ก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนโทสะจริตจิตของคนละทิ้งจริตต่อเมื่อจิตออกนอกวิถีคือตามธรรมดาจิตของเราที่คิดอะไรอยู่ทุกวันนี้ย่อมรับเอาอารมณ์น่ารักบ้างน่าชังบ้างทำให้เกิดความดีใจบ้างให้เกิดความเสียใจบ้างแต่จะดีใจเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ต้องไม่เกินอัตราวิถีกาหนดไว้จะเสียใจเท่าไหร่เท่าไหร่ ก็ต้องไม่เกินอัตราเหมือนกันถ้าดีใจเกินกําหนดจิตก็จะออกนอกวิถีไม่สามารถกลับเข้าสู่วิถีเดิมได้เสียใจเกินกําหนดก็เหมือนกันจะต้องไม่เกินกําหนดทีนี้ถ้าจิตดีใจหรือเสียใจเกินกําหนดออกไปจิตจะทิ้งจริตคือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของจริตแล้วคนอย่างนี้เรียกว่าคนวิกลจริตหรือเสียจริต ลงได้เป็นคนอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นคนไม่มีจริตภาษาชาวบ้านเรียกว่าคนบ้า 17. วิธีสังเกตจริตข้าพเจ้ารู้สึกโล่งใจที่ได้นำท่านผู้อ่านบุกเบิกเรื่องราวของใจทางด้านตำราลุล่วงมาถึงที่นี่หลายบทที่แล้วมาทำให้เกิดความแห้งแล้งเบื่อหน่ายอยู่เป็นอันมากเพราะเป็นเรื่องตาราถ้าจะเปรียบก็เหมือนว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้นำทางพาท่านเดินออกจากบ้านมุ่งจะไปจับปลาณบึงแห่งหนึ่งซึ่งปลาชุมแต่ระยะทางจากบ้านไปหาบึงค่อนข้างจะแห้งแล้งเบื้องล่างเป็นกรดและทรายเบื้องบนเป็นแสงแดดสองข้างทางเป็นป่าและทุ่งน่าเบื่อหน่ายแต่บัดนี้ท่านมาถึงขอบบึงปลาชุมแล้วเชิญตามสบายการที่เราจะสามารถครองใจคนอื่นได้ข้อใหญ่ ใจความอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักประเภทใจของเขาว่าใจเขามีจริตอย่างไรในหกอย่างนั้นแม้จะไม่รู้อย่างละเอียดทีท้วนก็ต้องให้ใกล้เคียงเข้าไว้จะเป็นการบกพร่องมากถ้าหากเราทำงานต่อเนื่องกับคนอื่นโดยไม่คำนึงถึงจริตของเขารู้จักจริตของเขาแล้วเราจะทำอย่างไรข้อนี้เอาไว้ก่อน จะพูดในบทหน้าสำหรับบทนี้จะพูดถึงวิธีสังเกตรจริตของคนเพื่อที่จะได้ดูออกว่าใครมีจริตอย่างไรนักปราชญ์ทางศาสนารุ่นเก่าท่านผูกเป็นคำร้อยกรองภาษาบาลีไว้เพื่อให้จำง่ายดังนี้อิริยาปฏโตกิจจาโพชนาดัสสนาดิโตธรรมมปวัตติโตเจวะ จริยาโยวิภาวะเยติแปลว่าเราพึงทราบจริยาในวงเล็บจริตทั้งหลายจาก 1. อิริยาบท 2. การทำงาน 3. การกิน 4. การดูและทําทำที่เขาประพฤติรวมความว่าเรามีทางจะรู้จริตของคนอื่นได้ด้วยการสังเกตอิริยาบท หรือการทำงานหรือการรับประทานอาหารหรือการดูหรือความประพฤติของคนคนนั้นทั้งหญิงทั้งชายใช้หลักเดียวกันดังรายละเอียดที่จะเสนอต่อไป 1. การสังเกตจากอิริยาบถอิริยาบถหมายถึงการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายที่เป็นอิริยาบถใหญ่มีสี่คือยืนเดิน นั่งและนอนเวลาคนยืนเดินนั่งนอนตามปกติเราพอจะสังเกตได้ว่าเขามีจริตอย่างไรแต่ทั้งนี้โปรดทราบว่าต้องดูเรียบทปกติเท่านั้นไม่ใช่ถูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งบีบบังคับเช่นยืนก็ยืนตามปกติไม่ใช่ยืนปาถกถาหรือยืนเข้าแถวหรือยืนยามซึ่งคนยืนจะต้องระวังตัวแจเดินก็เดินปกติ ไม่ใช่เดินสวนสนามหรือเดินหนีฝนนั่งก็หมายถึงนั่งปกติไม่ใช่นั่งว่าความนอนก็ดูเวลานอนตามปกติไม่ใช่นอนหนาวจนคดคูตุริยาบทปกติของเขาจึงจะทราบความจริงต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีสังเกตที่จะใช้ในตำราทางพระพุทธศาสนาและผลการสังเกตของข้าพเจ้าเองก็ การเดินคนราคะจริตเวลายกเท้าก้าวเดินค่อยๆ ย, ยกเท้าและค่อยๆวางเท้ามีอาการเฉยชาเดินช้าในการเดินตามลำพังแต่ไปกันเป็นหมู่คนราคะจริตอยู่กลางหมู่ถ้าเดินคู่กันกันกบคนเสมอกันมักจะเดินเยื้องข้างหลังเขาและสม่ำเสมอไม่ใช่ช้าๆเร็วๆสลับกันหลงเท้าเบา แม้แต่เดินบนพื้นดินซึ่งไม่จาเป็นต้องระมัดระวังมากแบบทั้งหมดของคนราคาจริตการเคลื่อนไหวตัวอยู่ข้างจะช้าเพราะในใจของเขาจะมีจริตบังคับอยู่ว่าให้เป็นห่วงความสวยความงามทุกกระเบียดนิ้วความเลอะเทอะที่เกิดจากการเดินรู้สึกว่ามีน้อยในบรรดาคนที่มาด้วยกันหลายๆคนแม้แต่เดินจากประตูวัด เข้ามาถึงกลางวัดเท่านั้นถ้าเราไม่ทันเห็นในขณะเขาเดินเราจะดูรองเท้าหรือดูเท้าก็ได้ในวงเล็บถ้าเขาไม่ได้สวมรองเท้ารองเท้าหรือเท้าของคนราคาจริตจะมีฝุ่นละอองเกาะอยู่ตามหลังเท้าน้อยกว่าคนโทสะจริตแม้แต่เดินบุกโคลนเฉะแฉก็เหมือนกันสำหรับคนโทสะจริตโคลนฉีดขึ้นเละถึงหัวเขา แต่คนราคะจริตเพียงครึ่งแข่งเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกบังคับออกจากจิตใจยอย่างประหลาดและสังเกตได้ชัดในกรณีรีบด่วนเช่นส่งคนไปตามหมอถ้าไม่จำเป็นแล้วไม่ควรใช้คนราคะจริตเพราะคนประเภทนี้เร่งไม่ค่อยขึ้นถึงจะดัดจริตเดินเร็วบ้างในตอนแรกๆป ร, ระเดียวก็คงช้าไปตามจริตของเขา คนโทสัจจริตเดินเร็วลงเท้าหนักยกเท้าวางเท้าเร็วตรงกันข้ามกับคนราคะจริตทั้งนี้เพราะเป็นคนมีความเร่งรีบอยู่เสมอแม้แต่เดินระยะใ ก, กล้ๆเช่นเดินไปเข้าห้องส่วมห้องน้ำหรือขยับจากที่นั่งตรงนี้ไปตรงนั้นไม่น่าจะต้องรีบร้อนพูดง่ายๆคือช้าไม่เป็นบุคคลประเภทนี้แม้ได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้ว ก็ยังคงเดินเร็วอยู่นั่นเองที่ว่าเดินเร็วในที่นี้โปรดทราบไปด้วยว่าเขาหยุดเป็นเหมือนกันแต่ว่าถ้าได้ก้าวเท้าออกเดินแล้วเป็นต้องเร็วถึงทันใจคนจริตประเภทนี้ถ้าไม่ฝึกมารยาทให้ดีบางทีจะกลายเป็นลุกลี้ลุกลนทาอะไรผุดผั บ, ผบชนโน่นชนนี่ต้องระวังคนโมหจริตไปอย่างงมงายชอบเมอ พูดง่ายๆคือใจลอยเซอเนั่นเองตามปกติการเดินไม่สม่ำเสมอคือเร็วบ้างช้าบ้างสลับกันโดยไม่รู้ตัวสมมติว่าเดินไปตามทางระยะประมาณ29ถ้าสังเกตให้ดีเขาอาจเดินเร็ว59ก้าช้า29เก้าเร็ว39ก้าช้า19เก้าและอื่นๆสลับกันไปอย่างนี้และขณะที่เขาเดินไปตามทางนั้น อาจจะมีอาการเดินคดคือเซซ้ายเสขวาสลับกันไปแต่อาการเหล่านี้ต้องขยันสังเกตจึงจะรู้เพราะข้าพเจ้าใช้วิธีสังเกตจากด้านหลังของผู้เดินจึงพอทราบได้ว่าเดินคดแม้ว่าเดินตามทางเท้าที่มีเส้นขีดอยู่บนพื้นซีเมนต์ตรงริ้วเขาก็เดินคดยิ่งถ้าเดินลัดลานกว้างเว้งว้างด้วยแล้วเลย บางทีโคดไม่ได้ท่าจริงๆที่เป็นดังนี้เพราะวิถีความคิดของคนโมหจริตขาดเป็นห้วงๆงประสาทส่วนบังคับการไม่มีสมรรถภาพดีพอคนโมหจริตนี้ส่วนมากเวลาเดินชอบทอดสายตาชำเลืองออกข้างซ้ายหรือขวาแทนที่จะก้มต่ําหรือมองตรงเป็นส่วนมาก